บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยแห่งพระพุทธดำรัสที่จัดแก่นันทะมานพมนนั้นได้ทรงแสดงว่าบุคคลผู้ใดได้ปล่อยวางสิ่งที่ตนเห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ ละทิ้งมงคลทั้งหลายกำหนดรู้ตัณหาละอาสวะได้แล้วบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีที่ข้ามพ้นชาติชราได้อย่างแท้จริงพระพุทาธรรมสัตว์นันเป็นการสัตว์ถึงเป้าหมายชั้นสูงสุดที่สมนวนบาลีดัญชายคำว่าคือเอาพระอรหันต์เป็นยอด เพรนั้นในขั้นตอนอการปฏิบัติที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลาดับจงเป็นการเชีย่ยวเห็นว่าข้อปฏิบัติบางระดับที่ทรงสอนให้ละในตอนสุดท้ายนั้นแต้จริงแล้วในตอนต้นๆบุคคลก็ต้องอิงอาศัยสิ่งเหล่านั้นตํานองเดียวกับการขึ้นบันไดหรือว่าการอาศัยยานพนาไล่ผลไปสู่สถานที่ต่งตาง หรือว่าการอาศัยยานภานะข้ามฝากในช่วงหนึ่งก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นตานั้นจึงทรงอุปมาธรรมะที่ทรงแสดงว่าเหมือนกับแพรที่บุคคลอาศัยข้ามฝากเพื่ออาศัยช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งในช่วงหนึ่งในช่วงที่จําเป็นจะต้องอาศัยถ้าไม่อาศัยก็ไปไม่ได้แต่ถึงช่วงที่ต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ ตำนองกับบุคคลที่อาศัยแพข้ามฝากเรือใส่เรือข้ามฝากในช่วงที่อยู่ในมน้าก็ต้องอาศัยเรือแต่พอถึงตลิ่งแล้วต้องการจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งเรือฉะนั้นในการทรงสอนให้พิจารณาถึงตัญหาขั้นตอนในการพิจารณานั้นได้แสดงไว้เป็น3ลําดับด้วยกันลําดับแรก เรียกว่ายาตะปรินดาคือก า, การกำหนดการกหนดรู้การพิจารณาซึ่งตัณหาทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อกล่าวโดยแหล่งที่เกิดเวาจะเกิดจะขบแหล่งใหญ่ๆด้วยกันแม้จะมีการจำแนกแสดงตัณหาออกไปวิจิตพิสดารอย่างไรก็ได้ที่ท่านพูดว่ากิเลส1 5, ัน0ตัณหาร0 8ซึ่งดูแล้วก็ออกจะมากเกินเกือบจะกำหนดกันไม่ก็ได้ แต่ไท้จริงแล้วตัณหานั้นจะบังเกิดในอารมณ์หกประการเท่านั้นเองคือรู ป, ปตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในรูปสะะตัตตตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในเสียงกันธตัณหาตัณหาที่บงัะะบงเกิดขึ้นในกลิ่นภาษาตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในรสอุตตภาพตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นในสัมผัสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งที่บุคคลไปถูกต้อง และธรรมะตัณหาตัาในอารมณ์หรือในธรรมะที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจของตนนั้นในขั้นตอนของการพินิษพิจารนานั้นเนื่องจากบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง6อยู่ตลอดชีวิตบางครั้งแม้ในายามควัญก็ยังเกี่ยวข้องกับธรรมะตัณหาคือตัณหาที่เกิดขึ้นภายในอารมณ์ ขอให้เกิดเป็นความฝันขึ้นมาในลักษณะต่างๆในการพิจารณาประเภทแรกี่เรียกว่ายาตปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยการรู้นั้นได้แก่ให้บุบคคลศึกษาเรียนรู้ถึงลักษณะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งในขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดนั้นมุ่งที่จะให้สติของบุคคลระลึกรู้รูกขณะของความคิดแต่ว่าการจะปฏิบัติเช่นนั้นได้ ก็จะทำอยู่สองช่วงคือช่วงที่ลงมือประพฤติปฏิบัติในกรรมฐานกับในช่วงที่สติเข้าถึงความสมบูรณ์ช่วงนอกนั้นบุคคลไม่สามารถที่จะระลึกได้ในทันพุ่งฉีได้เพระาะความเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วของตันหาซึ่งถ้าว่าบุคคลมองในแง่ที่ลึกซึ้งลงไป ก็ะจะพบบาดแท้ที่จริงกว่าจิตของบุคคลจะเกิดตัณหาในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้ราอาศัยองค์ประกอบเป็นอันมา ก, กเกินจึงจะเกิดขึ้นได้เช่นรูปตัณหาตัณหาในรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกําหนดว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจแต่กว่าจะเกิดกําหนดเช่นนั้น ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบใหญ่ๆสีประการในเบื้องต้นนั่นคือบุคคลมีจักษุประสาทที่ไม่พิการสองรูปนั้นอยู่ในวิสัยของตาที่เห็นได้ไม่ชิดตาและไม่ไกลจนมองไม่เห็นสามีแสงสว่างที่ช่วยให้มองเห็นรูปนั้นได้สีต้องมีมณสิการคือความสนใจหรือความใส่ใจที่จะดู แล้วก็เพ่งพินิษพิจารณาดูมัดูได้เช่นนี้มันก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียวกว่าวิญญาณคือความรู้รูปต่างตาขึ้นมาในขณะ น, นี้ได้พูดถึงขณะจิตทึ่งเกิดขึ้นในระดับเร็วยังไม่ได้เป็นตัณหาในชั้นต่อไปจึงเกิดเป็นผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกแล้ก็วิญญาณเมื่อเกิดเป็นผัสสะก็เกิดเวทนาคือความรู้สึก ถ้ารู้สึกชอบก็เกิดสุขเวทนาถ้ารู้สึกไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาจากนั้นจึงเป็นตัณหาแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งลงไปก็จะพบว่ากว่าจะเกิดเป็นตัณหานั้นจะต้องอาศัยการกำหนดใหม่หรือความจงใจคิดด้วยความเหนียวนึกในสิ่งในสิ่งเหล่านั้นเพราะรูปบางอย่างที่เราไม่เคยผ่านมาไม่เคยพบเห็นมานชั้นแรกก็จะไม่เกิดตัณหา เพราะยังไม่ถึงการวินิจฉัยว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรดีหรือไม่ดีมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเป็นต้นบุคคลก็ต้องเก็บคุณสมบัติของรูปเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจเสียก่อนแล้วจึงมามประสมผสานกับความรู้รูปจี่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นความคิดทั้งสองกระแสก็ผสมผสานกันก็เกิดเป็นการกําหนดรูปเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งอาจจะกําหนดได้ทั้งสองแนวแต่ทั้งสองแนวนั้นก็เกิดตันหาด้วยกัน ถ้ากำหนดด้วยความน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เกิดการมาตัญหาเกิดภาวะตัญหาในรูปเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ารูปที่บังเกิดขึ้นนั้นไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็จะเกิดเป็นวิภวะตัญหาคือต้องการใจรูปนั้นพินาศไปเสื่อมไปดับไปซึ่งความรู้สึกในแนวนี้ก็เป็นความรู้สึกแนวเดียวกับที่ ทรงแสดงไว้ในตอนต้นของมหาสติปัฏฐานในสูตรที่ได้กล่าวมานั่นก็คือถ้ากําหนดด้วยหนวของอภิชาตความเพ่งเล็งโลภอยากได้พอใจต้องการเพลิดเพลินกําหนัดจินดีก็จะกลายเป็นกรรมตันหาหรือภาะวะตันหาแต่ถ้ากําหนดด้วยความโทมนัสคือความไม่พอใจไม่ชอบใจความเสียใจความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นวิวัตตันหา คือความต้องการในสิ่งนั้นพินาศไปดับไปก็บังเกิดขึ้นในชั้นของการพินิษฐ์พิจารณานั้นเนื่องจากบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสคือตาอินรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอยู่หนึ่งนิดการพินิษพิจารณาจึงต้องพิจารณาทุกเรื่องที่เข้ามาสัมผัสดังน้อยก็มีสติระลึกรู้ทันในบางโอกาสบางขณะ ก็จะช่วยผ่อนคลายความรุนแรงของตัญหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจได้ในขั้นตอนของการพิิจพิจารณานั้นอาจจะให้รู้ในชั้นแรกว่าเป็นอะไรใจเป็นเหอี่ยนึกใจไปเกิดความพอใจชอบใจในสิ่งเหล่านั้นจะเป็นรูปเป็นเสียงก็ตามก็ลนะ อ, องถามใจตัวเองว่าความพอใจอยากอยากได้นั้นอยากได้ไปเพื่ออะไร แะบุคคลจะได้คําตอบว่าบางอย่างนั้นเป็นความอยากที่เกินส่วนหรือเป็นความะโมภโลภเกินส่วนไปแม้จะได้มาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องเล่นไปอย่างเช่นตัวอย่างว่ามีเครื่องใช้ชนิดเดียวกันหลายอย่างแต่ในขั้นตอนอการใช้ก็ใช้เพียงอย่างเดียวครั้งเดียวก็เพียงอย่างเดียวการมีมากเกินไปก็เกินความจําเป็น เป็นภาระในการดูแลรักษาการสูญเสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทำตัวให้กลายเป็นคนหนักคือต้องแบกภาระเหล่านั้นเอาไว้ก็ในชั้นงการแบกแล้วแม้แต่ขันทั้ง5ประการก็แบ ก, กนหนักอยู่แล้วถ้าเกิดไปแบกกันอีกหลายหลายเรื่องในที่สุดจิตใจ ก, ก็จะหนักอึ้งไปด้วยสิ่งที่แบกเอาไว้ ตังนั้นนั่นก็สอนให้มองในแง่ของประโยชน์ว่าได้ประโยชน์อะไรเมื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตนไขว่ขวันปรารถนาต้องการอยากได้จะมีสิ่งเป็นนั้นมากที่บุคคลสามารถตัดกระแสความอยากในอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้เพราะว่าได้มาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือแม้จะเกิดประโยชน์ก็ไม่คุ้มค่าที่จะ ลงทุนหรือเสี่ยงเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นการพิจารณาถึงลักษณะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าในขณะใดอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นก็พิจารณาลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นในแต่ละขณะประการที่สองเรียกว่าตีรณปริญญาคือเป็นการรู้ด้วยการพินิษพิจารณา ทรงสองในให้พิจารณาปัญหาเหมือนการโรคที่มันเกิดขึ้นในกายหรือเหมือนก็ฝีที่กรัดหนองจะเหมือนกับไฟที่แผลพับทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เอาสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมมาพิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรมพระรูปธรรมนั้นดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายบุคคลที่เคยถูกฝีเป็นฝีแล้วก็กรัดหนอง จะรู้ถึงความเจ็บปวดรุดเร้าที่ถูกโรคนั้นเสียดแทงทำให้เข้าใจทั้งปัญหาที่บังเกิดขึ้นแล้วเสียดแทงใจก็จะมีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรบังคับใจให้สายบังคับใจให้เต้นใจไม่มีความสงบรั้นไปในอารมณ์ต่างๆจนบางครั้งถ้าหากว่าความรู้สึกเหล่านั้นรุนแรง จะแสดงอาการวิตปริ์ออกมาแม้ทางกายและก็ทางวาจาความฟูขึ้นของใจความสายไปของใจอาการดิ้นรนของใจเป็ละละนลักษณะของตัญหาที่บังเกิดขึ้นแรงมากหรือแรงน้อยซึ่งในพระบาลีนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงลักษณะของตัหาไว้โดยอเนกกระปรียหย์คืนันยะต่างๆแต่สรุปแล้วก็พูดตามลักษณะความรุนแรงของตัหาที่บังเกิดขึ้น เรือเปลวไฟที่ลุกไหม้ามาสามารถแผดเผาทำลายสิ่งต่างๆที่ขวางหน้าตนไปได้ฉันใดอาณาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพออย่างที่ท่านบอกว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อใจที่มีตาณาก็ไม่อิ่มด้วยการสนองตอบ แม้จะให้สมบัติทั้งโลกหรือให้สมบัติทั้งแผ่นดินหรือบางครั้งที่ระพระเจ้าทรงสแสดงเรื่องพระเจ้ามันพาตุราชแม้พระองค์จะได้สมบัติในสวรรค์ชั้นดาวประดึงและสมบัติในโลกมนุษย์ก็ยังรู้สึกว่า น, น้อยอยู่นั่นเองตัญหาที่เปลี่ยนพยายามตอบสนองจึงไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา อันนั้นจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็พยายามละบันเ่าลดความรุนแรงของตัณหาที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ด้วยหลักปฏิบัติอย่างน้อยก็สองขั้นตอนที่เรียกว่าตทางกัปปะหานคือการละในขณะนั้นๆในองค์นั้นๆในอารมณ์นั้นๆโดยพิจารณาให้เห็นว่าได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ ถ้ไดประโยชน์ได้ประโยชน์นั้นน้อยเกินไปหรือไม่คุ้มค่ากับเวลาเงินทองที่ต้นสูญเสียไปก็บันเทากระแสของตัณหานั้นตรอนด้วยในกรณีที่เป็นประโยชน์ก็เฉพาะสมุดมองในแง่ของการสมเร็จประโยชน์ใจก็จะไม่ดิ้นมากก็นี้พึงดูตัวอย่างแม่ในเรื่องของปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องนุ่มผมเป็นต้นถ้าบุคคลได้มองในแง่ของความสมเหตุประโยชน์ ยาที่ทรงสอนให้พิจารณาในขณะนั้นๆในขณะที่บริโภคอาหารในขณะที่ใช้เครื่องนุ่งห่มในขณะที่ใช้เสนาสนะในขณะที่ใช้ยาแก้ไข่ทรงสอนให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เรียกว่าสําเร็จประโยชน์สําเร็จประโยชน์ได้ด้วยปริมาณเท่าไหร่ก็ยินดีด้วยปริมาณเท่านั้นจะทําให้จิตใจของบุคคลมีสระมากยิ่งขึ้น หรือถ้าหากว่าในชั้นของการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นกุศลศาสายหลักของกรรมฐานือการทําใจให้สงบจากตัญหาในอารมณ์ทั้งหลายโดยใจไปจดจ่ออยูส่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมหรือสิ่งที่เป็นกลางกลางแต่แก่อารมณ์ของกรรมฐานที่ทรงจําแนกแสดงไว้โดยอเอกประยายจะทําให้ใจเป็นอิสระได้อย่างน้อยก็ในขณะนั้นนั้น ในด้าชันต่อไปซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่เป็นเป้าหมายอย่างแท้จริงซึ่งทรงแสดงในจิงเป้าหมายสูงสุดได้แก่อาณาปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการละตันหาว่าบุคคลได้ศึกษาลักษณะของตันหาโทษของตันหาแล้วก็ให้พยายามดับตันหาเท่านั้น จนในที่สุดใจก็ปราศจากตัณหาแล้วเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่เรื่องของตัณหาไม่ใช่เรื่องจะละกันได้ง่ายเพราะตัณหานั้นติดมาในชีวิตของบุคคลอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ถึงการอุบัติบังเกิดในสังสารวัฏของคนว่ามีองค์ประกอบสมประการคือกรัมเขตตังกรรมที่บุคคลกระทำไว้ทั้งดีทั้งชั่ว และทั้งที่เป็นรูปประชาหรอรูปประชากต็ตามเปรียบเหมือนพื้นดินหรืออุณหภูมิที่เกื้อกูลต่อการงอกเจริญเติบโตของพืชวิญญาณังบีชังวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณ น, นั้นเปรียบเหมือนกับหน่อของพืชที่พร้อมจะเจริญเติบโตเมื่อได้อุณห ภ, ภูมิที่เหมาะสมตัญหาสิเนหังตัญหานั้นเป็นเหมือนกระยางเหนียว ที่มีอยู่ภายในพืชซึ่งกหมายความว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เพราะอิงอาศัยตันหาการที่จะละตันหาให้ได้จึงต้องใส่ความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกล้าทั้งทางกายและทางจิตใจเป็นลักษณะค่อยๆบั่นทอนลดความรุนแรงในกระแสของตัหาเหล่านั้นซึ่งถ้ามองศึกษาพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าธรรมะที่ทรงแสดงไว้ทุกขั้นตอน ต้องการจะลดความรุนแรงของตัญหาในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองแม้แต่อะไรแม้แต่ข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทิฏฐามิกัตถะประโยชน์คือประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ในพบในชาติปัจจุบันนี้เป็นลักษณะการคลองเรือนครองสุขของบุคคลทั้งหลายทองสอนให้มีความหมั่นขยันในการประกอบกิจการงานทั้งหลาย ในทางที่ชอบทำโดยมุ่งใช้ความเพียรพยายามแต่ก็คุมความเพียรพยายามเอาไว้อย่าออกไปละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลอื่นให้รู้จักเก็บออมรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้เพื่อไม่รู้อำนาจแก้ตัญหาในการได้มากใช้มากได้น้อยใช้ามากเป็นตน้น แล้วก็ผลาสมาคมกับคนดีรู้กำลังในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นการคุมต่าหาเอาไว้กำหนดไว้ภายในใจหรือกำหนดเป็นงบประมาณเอาไว้ในการซื้อหาจับจ่ายสิ่งของในตลาดนั้นมีอยู่มากจะเงินมีน้อยหรือแม้จะเงินมีมากก็ทรงสอนให้คุมใจเอาไว้อย่าปล่อยความอยากท่วมทับใจ จนถึงวิ่งไล่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นกันมากเกินไปแต่แม้แต่การสอนในชั้นอื่นพวกอบายมุกก็ดีหรือบูรณะซ่อมแซมของเก่าไปใช้สอยก็ดีเป็นการสอนเพื่อกบคุมตัณหาทั้งนั้นจึงก็หมายความว่าในขณะนั้นในดับนั้นคนยังมีตัณหาอยู่แต่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ตัณหาครอกําใจก็ทาใจอยู่เหนือกระแสของตัณหา ในบางเรื่องบางกรณีอะไรก็ตามถ้าหากว่าบุคคลยกจิตของตนรักใจของตนขึ้นสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกับ น, น้ําท่วมคนอยู่สูงกว่าน้ําก็ไม่เปียกน้ำกระแสของปัญหาที่ไหลบาด ท, ท่วมทับใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็เกิดใหน่ลมทั้งหกไม่ว่าจะเกิดแกะใครก็ตามก็เกิดใหน่ลมหก เป็นตัณหาในรูปเสียงกินรสผธิภัพแล้วก็ทำอารมณ์ทั้งหมดแต่ยามใดที่บุคคลทำใจอยู่เหนืออารมณ์รานั้นได้ตัณหาในอารมณ์รานั้นก็ไม่เกิดเ่รากาตามหลักความเป็นจริงแล้วบุคคลเราทั่วไปนี่สามารถอยู่เหนือกระแสของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายได้เป็นนั้นมากฉนว่าคนบางคนแม้จะมีการแส ด, แดง ประสบมด้วยดนตรีอะไรต่างๆได้ยินเรื่องเหล่านั้นก็ไม่เกิดสัพท์ตันหาคือไม่เกิดความอยากที่จะฟังไม่เกิดความอยากที่จะดูไม่เกิดความอยากที่จะไปเกี่ยวข้องซึ่งหมายความวินัยามนั้นขณะนั้นใจก็อยู่เหนือตันหานั้นแต่เนื่องจากตัวกระตุ้นให้เกิดตันหามีความหลากหลายอยู่ในตัวของมันเอง บางคนอาจจะหลุดพ้นจากกระแสตาหาสายนั้นแต่เราอาจจะไปเจอกระแสตานาเหล่าอื่นดั น, นั้นในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันพระเจ้าจึงทรงสอนในแนวที่จะให้ระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นอาจารย์ทั่วไปก็กําหนดละโดยในยะที่กล่าวแล้วคือกําหนดละด้วยองค์นั้นนั้นและกําหนดละด้วยการใช้ความเพียรพยายาม ที่จะทำใจของตนให้สูงขึ้นจากกระแสของตัณหาเพื่อตัณหาจะไม่ท่วมทับใจมากเกินไปและในชั้นของการละที่ท่านเรียกว่าสมุดเฉดทหารคือละด้วยการตัดขาดนันโดยในญยาที่สมบูรณ์จริงๆพูดถึงการละของพระเรียเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปถึงพระอระหรันต์ แต่ในเชิงของการปฏิบัติบุบคคลจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถละได้ขาดในจุดนั้นๆหลายจุดด้วยกันเช่นว่าตัณหาในรูปบางอย่างเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นผ่านการเวลามากขึ้นมีความมีเหตุมีผลในการนำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ตัดกระแสตัณหาในรูปบางประการลงไปได้ เสียงบางชนิดบางประเภทบางเรื่องที่เคยสนใจพอใจฟังเสียงเงินเสียทองไปฟังเสียงเหล่านั้นมันก็ตัดเสียงเหล่านั้นไปได้หรือแม้แต่กลิ่นบางอย่างซึ่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะสแสวงหากลิ่นหอมต่างๆจากน้ำนํำอบน้าหอมเป็นต้นพอใจติดใจเพลิดเพลิ น, พนยินดียอมเสียงเงินเสียทองไปเพื่อสแสวงหากลิ่นเหล่านั้นแต่ว่าถึงจุดหดึมก็ตัดกลิ่นเหล่านั้นได้ เลิกละไม่สนใจไม่พอใจจนบางครั้งอาจจะกลายเป็นความเหนื่อยหน่ายความระอาแล้วเกิดความสงสารในบุคคลที่ไปมัวมองหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในรูปในสิง่งในกลิน่นซึ่งที่จริงตัวเองก็เคยเพลิดเพลินพอใจยินดีมาก่อนนั้นแสดงเหตุว่าใจก็สูงขึ้นโดยลำดับในรสต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน บุคคลก็ตัดรถบางชนิดลงไปได้โดยไม่เกี่ยวข้องไม่เกาะเกี่ยวกับรถเหล่านั้นแม้แต่ความคิดจะลิ้มจะดื่มจะรับประทานสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นการตัดขาดที่บุคคลสามารถเห็นได้บางคนเป็นการตัดขาดตลอดชีวิตไปเลยทีเดียวก็ถือว่าสำหรับท่านเองในจุดนั้นก็ไม่กำเริบจริงๆ ซึ่งก็ได้ความสงบใจยามที่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เ่านั้นในขณะที่ใจคนอื่นดิ้นพลันไปเราก็ไม่ต้องดิ้นพลันไปกับเขาใจก็สงบได้ด้วยความเพียรพยายามละในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะเบาขึ้นธรรมดาสิ่งที่เบาก็ลอยขึ้นไปได้ใจของบุคคลที่เบาขึ้นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันจะลอยขึ้นเหนือกระแสของตัณหาโดยลาดับ มีความโปรง่งมีความเบามีความสบายมีความยึกเจนปรากฏขึ้นซึ่งโดยวิธีนี้บุคคลสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันแต่ผลที่ถาบอ น, นั้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอิงอาศัยหลักที่พระพุทเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้สัมผัสผลดังนั้นมานั่นก็คือการปฏิบัติ กระทำให้สมบูรณ์ในศีลในสมาธิและปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็เข้าถึงจุดที่สมบูรณ์อย่างที่ทรงแสดงไว้แก่ท่านนันทะมานาวกนแต่ในระดับที่ลดหลั่นลงมาก็จะให้ความสุขความสงบความเยือกเย็นในชั้นนั้นๆชะนั้นโดยการปฏิบัติตามหลักของศีลมันก็ตัดกระแสของตัหาชั้นหยาบลงไปได้ โดยการปฏิบัติในชั้นสมาธิมันก็ตัดกระแสของตาหาที่กลุ่มรวมใจได้ในระดับใดระดับหนึ่งตึ้งก็ค่อยๆประณีตขึ้นไปโดยลำดับแต่ในตอนสุดท้ายแห่งพระพุทธดำ ร, รัตนั้นในทรงสแสดงว่าอาสวะได้หมดสิ้นอจริงอาสวะกตานาเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่พูดในแนวลึกหรือพูดในแนวตื้น ตันาเป็นการพูดถึงสิ่งที่ครองใจสิ่งที่เข้าครอบงมใจของบุคคลแล้วก็ดิน้นแต่ถามว่าอะไรเข้ามาครอบงาใจก็บอกอาสวะนั่นเองขึ้นมาครอบงาใจเล้วครอบงมใจเราก็เรียกว่าตันาแต่ว่าในตอนที่หมกมุ่นในตอนที่ขังอยู่ภายในใจหรือหมักหมมอยู่ภายในใจ ไม่ได้ฟูขึ้นมากระทบใจท่านก็เรียกว่าอาสวะอาสวะจึงมีกามาสวะอาสวะคือกามพอขึ้นมาสู่จิตก็เป็นกามาตัญหาภาวาสวะอาสวะคือภพพอขึ้นมาสู่สู่จิตก็เป็นภวะตัญหาวิชาสวะอาสวะเกิดวิชาพอขึ้นมาสู่จิตมันก็เป็นได้ทุกตัญหาเพระาะอะไรเพราะวิชานั้นเป็นรากน้ า, าเป็นต้นขาวของกิเลส ท, ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงผลสูงสุดตามที่ทรงแสดงแก่ท่านนันทะมานวากะคำว่ามุนีในความหมายที่แท้จริงตามที่ทรงประสงค์ก็หมายถึงพระอรหันตมุนีคือมุนีที่เป็นพระอราหันต์เพราะท่านเหล่านั้นได้ผ่าน้นการยึดถือการประพฤติปฏิบัต ว่าในชั้นการสดับจับฟังในชั้นของศีลในชั้นของวัดในชั้นของมงคลตลอดถึงในชั้นของความยึดติดในอารมณ์ต่างๆลงไปได้แต่เมื่อกล่าวในส่วนส่วนที่ลดหลั่นกันลงมาสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องอิงอาศัยเป็นขั้นบันไดที่จะนําผู้ปฏิบัติก้าวเดินไปสู่จุดสุดยอดในทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป